สัรประโยชคาววจรทั้งหลายและบรรดาเพื่อนบิณฑษ์สมณีนทั้งหลายเวลานี้การสมาทานและกรรมฐานได้ผ่านไปแล้วสาหรับต่อที่นี้ไปเรื่องของตำราก็จบเพราะว่าผมพูดเรื่องมหาปริปทานสูตรจบมาแล้ว แล้วก็กรรมฐ า, านสี่สิบก็จบแล้วเอาปฏิปัติธของท่านผู้เฒ่ามากล่าวก็กล่าวแล้วถือว่าเป็นแบบฉบับสําคัญสําหรับบรรดาท่านทั้งหลายที่เป็นนักปฏิบัติต่อไปก็เป็นปฏิกิริยาคำสอนนี่ก็ว่าการเก็บเล็กเก็บน้อยเอามาสอนกันหรือว่ามาแนะนํากัน แต่อันดับต้นเขามรนดาท่านหลายจงเป็นผู้ชนะนิวรนไว้เสมอนิวรนคืออารมณ์ชั่วย้า้มีในจิตของเราการทรงสมาธิในการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออก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 มีคนเขาีิพากวิจารณ์ผมเรื่องงานเกี่ยวกับสาธารณประโยชน์เพราะว่ามีคนเขามาบอกขายรถแต่รถคันนี้จริงๆราคามาตกสองล้านบาทแต่เขามาเสนอขายราคาห้าแสนบาทได้ก็เป็นรถใหม่ ก็ข่าวนี้แพร่สะพัดไปก็มีคนผู้หวังดีมีภาควิจารเข้าไปในแง่ต่างๆแตในคําวีภาควิจารนั้นแสดงว่าเป็นผู้ห่วงใหญ่กลายเป็นว่าผมจะถูกต้มบ้างในเดือนการหนึ่งคนอื่นจะมาต้มผมบ้างแล้วก็ไปวีภาควิจารณ์คนที่เขาไม่ได้ต้มหาว่าจะมาต้มผม ความจริงถ้อยคำที่ได้กล่าวอนนี้มันเป็นการสแสดงออกเพียงความห่วงใยแต่อาศสยที่มีกิเลสที่มีอยู่ในใจมากไม่ได้ทราบกับไว้เรื่องท่างหลายเหล่านี้มันจะสร้างความเสียหายหเกิดขนาดไหนรวมความว่าผมเองเป็นตัวจังไรทำไมจึงไปตกลงในการซีรถขันนั้น นี่ขาวก็จะแพร่สะพัดไปว่าผมนี่มีความร่ำรวยมากเรื่องเงินของสงไปถล่มทลายในการเสียรถแต่ความจริงรถที่มีทุกคันนี่เป็นรถที่จาบ้านเขาให้ใช้โชคลาคราวรถคันนั้นเจ้าของผู้เสมอขายขายผิดราคาเพราะเป็นรถใหม่แก้คงจะเผลอไปราคาตั้งสองล้าน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 ผมก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นถ้าก็ใหม่ครั้งก็ตกลงเป็นอันว่าคุณบอกขายภายในไม่ช้าไม่กี่วันเธอก็มาบอกเลิกอ้าเหตุผลต่างๆว่ารถมันมีความไม่เหมาะสมอะไรบ้างอันนี้ผมก็ทราบทราบว่าแกพูดลาดไปเสียแล้วผมก็เลยไม่ยิ่งเรื๋ยวไม่ไม่คาดคั้นไม่ถทียบสัจจเดิม ไม่ถือการที่พูดกันไปเดิมว่า ต, ตอนแรกทีเดียวก็ยังไม่ได้ตกลงกันแน่นอนเป็นเพียงว่าถ้าเธอขายในราคานั้นจริงเราก็อยากขอปรึกษาหาหรือพวกกันก่อนถ้าเขาเห็นสมควรเราก็จะซื้อนี่ข่าวนี้ออกไปเาก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันต่างๆ มีการไปรโทษคนที่ไม่มีการเกี่ยวข้องไปะจะร่วมกับต้มผมบ้างให้พูดนะพูดในความห่วงแต่ความจริงอาศัยขาดสติสมัมปชัญญะสตินึกได้สมัสมปชัญญะรู้ตัวไม่มีอีกในหนึ่งก็ขาดพุทธภาสิทธิบทแห่งว่ากล้าไข้ควรเสก่อนเราจงทำดีกว่าอันนี้ขาดไป มีการพูดกันทำนองนั้นข่าวไม่ก็ออกข้างนอกมีคนข้างนอกก็โจทย์ไปอีกด้านหนึ่งถึงว่าผมนี่ร่ำรวยมากถึงกับจะเอาเงินไปซื้อรถตนราคาห้าแสนบาทที่เขาพูดกันเน่ยก็พูดในความโผงใหญ่และไปโทษคนที่ไม่เกี่ยวข้องว่าพากันต้มผม นี่ก็สำหรับท่าน a l l เมื่อฟังแล้วท่านมีความรู้สึกยังไงคนประเภทนี้เราน่าจะโกรธแรืว่าเราน่าจะเกลียดหรือว่าเราน่าจะรักเพราะเป็นประเภทที่หนักไปกว่าคนตาบอดคำช้างคนตาบอดคำช้างนค่ยคำช้างที่ขาก็คิดว่าช้างเหมือนเสา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 เพื่อนเพียงว่าถ้าเขาขายให้เราก็จะไปถามคนที่เขามีความชำนาญแต่คนที่เขามีชำนาญตั้งบริษัทรถเ็าบอกมันไม่ได้แน่เจ้นี้บอกราคาผิดถ้าว่าขายจริงๆถ้าเราไม่เอาเขาขอรับไปเนื่อเมื่อขอรับแล้วเราก็บอกว่าถ้ารับไปยุเวลาที่ต้องการแล้วก็จะขอยืมใช้บ้างนะเขาก็ตกลงแต่พวกนั้นมันได้ทราบ ถ้าสำหรับคนนี้ถูกกล่าวผลาดจิงว่าร่วงกันต้มถ้าเขาเป็นคนธรรมดาเขาก็จะโกรธเพราะเขาพวกนั้นที่ถูกกล่าวหาเขาเป็นคนค้านว่าไม่เห็นด้วยนี่ความจริงพวกนี้ขาดนิสสมมัจจ ร, รังเสยโยการที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าใครลโคเซก่อนแล้วจังทาดีกว่าเราเห็นน้ําใจของพนพวกนี้ว่ายังมีกิเลสหนามากนะัก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 ที่เรามาทูพ่พูดพูดถึงด้าความโกรธเราควรจะโกรธหรือไม่โกรธเพราเราตอบว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นธรรมดาของโลกพระพุทธเจ้าของกล่าวว่านินทาประสังสาเป็นโลกรธรรมดาการนินทาดังสังเสริญเป็นธรรมดาของโลกเราต้องวางใจเสีย ถ้าบังเอิญท่านนางหลายจะพบอย่างนี้เขาจงจำปฏิปทาครั้งท่านผู้เฒ่าที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพทมุทธเจ้าทรงจัดว่าเจ้าไม่โกรธในฐานะที่ควรจะโกรธเจ้าไม่เกลียดในฐานะที่ควรจะเกลียดเจ้าไม่รักในฐานะที่ควรจะรักเจ้าไม่ผูกพันในฐานะที่ควรจะผูกพัน เมื่อจิตของเจ้าทรงอารมณ์อย่างนี้ที่ว่าเจ้าเป็นพระอรหันต์ขีณาศพตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนั่นเป็นอ น, นว่าถ้อยคำนันหลายเหล่านี้พระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านนั้นหลายจนจำไว้อย่าสนใจกับวาชาของคนที่สันเซิญหรือว่านินทาถ้าเราอยา่าโกรธก็คนรอยกโรกรธจนเสียนิดหนึ่งกรธใครกันดี โกรธวัตตาสงสารหรือวะะ่าตาสงสารมันก็ส่งตัวเราก็ควรจะโกรธจิตของเราที่ยังคบหากับกิเลสตัณหาอุปาทานและกุศลกรรมที่ดันมาเกิดในดินแดนในภพที่มันเต็มไปได้วยความ ร, าร่าเรอนโกรธตัวก็ไม่ได้โกรธคนอื่นก็ไม่ได้ทั้งโกรธใจ โกรธใจแล้วทำไมก็พยายามห่ำหัน่นใจให้กิเลสมันหมดไปตอนนี้มาพูดกันถึงว่าถ้าเขาบุกคนเราพูดถ้าเราฟังเขาพูดมันเป็นปัจจุบันพอเขาพูดจบไปมันเป็นอดีตขาวาราจาร์ที่เขาจะพูดต่อไปข้าหน้าเขายังไม่พูดมันเป็นอนาคต พระพุทธเจ้าสงสองนให้เราปฏิบัติแบบไหนให้ปฏิบัติในปัจจุบันเป็นสำคัญปัจจุบันจริงๆในวาทะของเขาทั้งหลายเหล่านั้นมันเดียวเดียวเท่านั้นพูดจบหายไปต่อไปมันก็นปเป็นอนาคตตอนนี้ผมนึกถึงพระราชดัมรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูอ่หัวเมื่อวันที่สิบเอ็ดกุมภาวันที่สิบเอ็ดตุลาคมสองันห้นารอยี่สิบ มีโอกาสเข้าเฝ้าท่านท่านได้ทรงตัดว่าเรื่องที่เกิดที่เมืองยาลาเสียงระเบิดตูมขึ้นมาแล้วมันเงียบไปพระองค์ทรงตมิตว่าถ้าเราจะไปสนใจกับเสียงระเบิดนั้นมันก็ระเบิดไปแล้วมันเป็นอนาคตไ้าเป็นอดีตถ้าเราไปสนใจกับมันปัจจุบันของเราจะใช้ไม่ได้งานปัจจุบันจะเสีย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 นี่พระราชาปรับพระบาทสมเด็จเจ้หัวควรจะจำไว้ถูกต้องตามาตรพระพุทธพจน์บทพบาลีที่สมเด็จพระเยสีทรงตรั ส, สว่าเรื่องของอดีตอนาคตอดีตก็ดีอนาคตก็ดีอดีตที่ร่วงมาแล้วอย่าตามนิถึงสิ่งที่เป็นอนาคตมันยังมาไม่ถึงอย่าสนใจสนใจปัจจุบันเป็นสำคัญ เราจึงคิดไปเสมอว่าคนเราจะดีหรือจะชั่วนี่ไม่อยู่เช่อยู่ที่คํานินทาเลยสรรเสริญจะดีหรือจะชั่วมันอยู่ที่ตัวเรากระพุทธปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติ ด, ดีใครติเราละวิล เ, เราก็ไม่เลวไปตามนั้นถ้าใครติแล้วเราปฏิบัติชั่วใครชมเขาเราว่าเราถ้าเราทําชั่วเขาส่รเสริมวันดีเราก็ไม่ดีไปแล้ไม่ดีไปตามคํากระพูด เราจะดีจะช่วยมันก็อยู่ที่การปฏิบัติต่อจากนี้ไปผมจะเอานำนำพระพุทธน้ำรัตพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าที่ทรงตังดไว้ในพระตรวิฎกสุตตนิพพิดกสังยุตนีกายสักขารวักมาเล่าสู่กันฟังเสียเล็กน้อยตามพระไปพระไตรวิฎก แต่งกล่าวว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในพระวิรวุันอันเป็นที่ประยธานเยือกเยแต่ของพระราชามาคตในเขตกรุงราชคฤห์โดยสมัยนั้นนางพรหมณีชื่อว่าท่านมัญชานีแห่งพรามผู้เป็นบริวารของพรามผู้มีชื่อว่าภารทวาเจโครคนหนึ่ง เป็นผู้มีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมแลบพระอริยสงฆ์แต่ความพุนครามพวกนี้แตความจริงเขาไม่คบพระพุทธเจ้าครั้งนั้นนางพานัญชามีพรหมณีกำลังจยนลอมาหารไปเพื่อให้แก่ปรามพารัถวาจาโคตรก้าวพราจจึงเปล่งไวชาวทานสามครั้งว่า ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นอรหันต์พระองค์นั้นขอนอบน้อมแด่พระเจ้าไอว้สามครั้งนะเมื่อนางนันทชานีพรามณีกล่าวดังนั้นแล้วรพระมารทะวาชโคตรได้กล่าวกับนางนันทชานีพรามณีว่าอีหญิงถอยนี่กล่าวคุณเขาสมนา ล, ล้นอย่างนี้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 ห้อยคำต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์นั้นในโลกนี้ได้พร้อมไปด้วยเทวโลกมารโลกและพรมโลกมูสัตว์พร้อมได้วยสมณะและพรมะมัติวดาทั้งหมดดูก่อนพรามเอาเถิดท่านจงไปไปแล้วจะได่รู้จักพระองค์ลำดับนั้นพรามภาระถ้ว่าจะโคตรโกรธจัด เฝ้าไปเฝ้า อ, องค์สมเด็จพระสุนทรสวัสดิ์ทั้งที่ทั้งที่ประทับท่านแล้วสนทนาปราศัยกับพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งอยู่นีนควรส่วนขํางหนึ่งนี่เขาแย่ข่มขี่พระพุทธเจา้รารมนั้นนั่งแล้วได้กล่าวกับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวา่าบุคคลฆ่าอะไรได้ย่อมนอนเป็นสุขฆ่าอะไรได้ ย่อมไม่เศร้าโศกฆ่าแต่พระโคดมรงย่อมชอบใจในการฆ่าทำอะไรเป็นธรรมอันเอกอพระพุดจเจ้าสนงตอบว่าบุคคลฆ่าความโกรธได้ย่อมนอนเป็นสุขฆ่าความโกรธได้ย่อมไม่เศร้าโศกดูก่อนคราม พระอริยเจ้าทั้งหลายย่อมสันเรินการฆ่าความโกรธอันมีมูลเป็นคิดมีที่สุดคือความคลายเพราะว่าบุคคลฆ่าความโกรธได้แล้วย่อมไม่เศร้าโศกเป็นอันว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวดังนี้กรามก็ชอบใจมีความเลื่อมใสขออุปสมบทในพระพุทธศาสนา ภายในไม่ชาติให้กับมรรลุอลาตัตผลเป็นพระอริยบุคคลองค์สำคัญองค์หนึ่งในพระพุทธศาสนาที่พมนํำพระพุทธพจน์บทบาลีที่ปรากฏมาในพระไตริฎกเอามาพูดกับท่านอย่างนี้ก็เพื่อบังคืนเตือนใจว่าการนินทาว่าร้ายของคนบางทีคนเนี่ยก็ชมเรา เรยอว่าเขาเกล่าวได้ความาห่วงอยางเหมือนกับคณะบุคคลคณะหนึ่งที่พกล่าวแล้วเมื่อกี้นี้เขาจะเป็นใครก็ช่างไม่เรื่องมันเกิดขึ้นสองสามวันนี้เองเพราะว่าวันที่พูดนี้ก็เป็นพูดเป็นวันที่สิบเอ็ดตุลาคมและพธจิกายนตอนนี้เรื่องนี้มันก็เกิดขึ้นก่อนวันที่หกคือก่อนกะทิญเป็นคามีภาพวิจารณ์หนัก วิพาวิจารนี้ถ้าฟังกันไปจริงๆเหมือนกับว่าเป็นความห่วงใหญ่แต่ว่าไอ้ความห่วงใ่นี่แหละวาจาที่พูดไปว่าอาศัยการไม่ละมัดระวังเมื่อกลายเป็นพิษสำหรับบุคคลหรือวิสภาพบุคคลคนที่เป็นศัตรูได้ถ้าเราทราบข่าวนี้แล้วเขาจะหาว่าแหม่น่ะอิะลาตาองตาหลวงองนั้น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 อันนี้เรื่องท่านหลายเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นนี่เกิดขึ้นกับผมนี่มันไม่หนักใจผมถูกด่าถูกว่าถูกดินทานถูกทิ้งถูกตํามาแคพอแล้วยังกระทั่งหนังผมที่มันหนาด้านไปหมดใจก็ดันใครจะพูดใครจะว่าอะไรนี่ไม่สาคัญผมห่วงท่าน เพราะท่านทั้งหลายจงจำไว้ว่าขึ้นชื่อว่าความโกรธอย่าให้ปรากฏในจิตตามทองค์สมเด็จพระธรรมสัมมิกล่าวว่าถ้าเราฆ่าความโกรธเสได้แล้วเราก็นอนเป็นสุขนอนมันก็เป็นสุขนั่งมันก็เป็นสุขหลับมันก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขก็อะไรว่าท่าของคนที่กล่าวไปเนี่ยถ้าเราโกรธมันก็แค่นั้นแหละมันไม่มีประโยชน์อะไร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 ได้พูดไปมันเป็นภัยแต่ผู้อาศัยความรู้เท่าไม่ถึงการของเขามีอยู่จึงพูดอย่างนั้นเกิดขึ้นมันก็สร้างความเสียหายสําหรับบุคคลที่ถือว่ากิเลสเป็นเออกิเลสเป็นเจ้าเป็นานายในคนที่ไม่ ย, ยึดถือกิเลสแล้วถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเร่ขอท่านอนไหลายจงระวัตวังอารมณ์นี้ไว้มาก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 ผมก็มีความรู้สึกว่าเสียงระเบิดนี่มันเป็นอนาคตไปแล้วมันหายไปแล้วถ้าเราไปสนใจกับอนาคตเรื่องของอนาคตปัจจุบันก็จะไร้ผลตอนที่เราเยี่ยมประชาชนคิดว่าถ้ า, าคาะมาเกิดระเบิดอีกจะทำยังไงทรงตัดสินว่าไทยว่ามันจะยังไงก็ช่างนั่นมันเป็นอนาคตทำไงของเราให้พบถุนในปัจจุบัน ฉะนั้นขอพวกท่านก็เหมือนกันอนาคตดีอดีตดีมันจะเป็นยังไงก็ช่างเอาเวลานี้ทําใจของเราให้ชนะความโกรธก็แล้วกันอารมณ์ที่ชนะความโรกรธได้ถีอศรรพัพท์ว่าช่างมันใครเขาจะชมก็ช่างมันใครเขาจะลินทาว่าร้ายก็ช่างมันเราไม่ดีไม่โั่วเพราะการนินทาและสรรเสริญข้าวคน อรบบันดาท่านพุทธศาสนิกชนเวลาการที่จะพูดกันกนหมดแล้วพวกนี้ต่อกันใหม่เรื่องความโกรธ ต, ตอนนี้ไปก็ขอให้ท่านหลายตั้งกายให้ตองดำรงจิตให้มัน่นอยู่ในอิรยาตตังสี่ควบคุมอารมณ์ของขท่านให้มีสมาธิจิตอย่าลืมผหนดรูลมให้ใจเขาออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอธิยาสายยิ่งกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี